เป้าหมายหลักคือปัญญาเป็นศูนย์กลางบัญชาการเดินทางสิกขาจัดการฝึกทุกกองกำลังให้พร้อมเสนอสนองงานอย่างที่ว่าแล้วองค์ทั้ง8ของมาร์ครนั้นพัฒนาไปด้วยกันแบบประสานสัมพันธ์สืบทอดกันไปในระบบองค์รวมแต่ในการศึกษาของสิกขานี้ซึ่งเป็นการพัฒนามาร์คนั่นเอง ผู้ศึกษาจะทำการฝึกศึกษาแบบแยกส่วนว่าเป็นแต่และรายการรายการไปด้วยความฉลาดที่จะจัดการให้เหมาะให้ตรงจุดไปตามแผนของสิขาโดยที่ในเวลาเดียวกันนั้นก็มีปัญญาตระหนักรู้อยู่ถึงระบบการพัฒนาแบบองรวมของมรกและเข้าใจที่จะให้ระบบทั้งสองนั้นเชื่อมประสาน ร, รับทอดต่อกันไปได้บอกแล้วว่า ในการพัฒนาของมรรคนั้นจุดรวมที่มุ่งเน้นเป็นเป้าหมายอยู่ที่ปัญญาซึ่งเป็นหัวหน้าที่ชี้ช่องนำทางให้แก่ประดาองค์มรรคทั้งกระบวนจึงต้องพัฒนาปัญญาเท่าที่รู้เข้าใจมองเห็นยึดถือเชื่อตามเป็นทิฏฐิอยู่ในเวลานั้น น, นให้รู้เข้าใจมองเห็นแจม่มแจ้งชัดเจนยิ่งขึ้นไปขึ้นไปจนเป็นญาณที่รู้เข้าใจมองเห็นทั่วตลอดตรงตามที่เป็นจริง ทีนี้ในการศึกษาตามแผนของสิกขานั้นตอนเริ่มต้นเมื่อคนนั้นๆมีพื้นความรู้เข้าใจเชื่อถือเป็นทิฏฐิถูกต้องเป็นทุนเป็นฐานไว้ให้ไปได้ถูกทางแล้วการศึกษาขั้นต้นจะมุ่งไปที่ความประพฤติการแสดงออกทำการทางกายวาจาที่เป็นชั้นภายนอกหรือชั้นหยาบคือศีลเฉพาะอย่างยิ่งปฤติกรรมเคยชิน เพื่อเตรียมพื้นฐานให้พร้อมและให้เกื้อหนุนแก่การที่จะฝึกฝนพัฒนาจิตใจซึ่งเป็นชั้นภายในละเอียดกว่าให้ได้ผลดีต่อไปโดยในยานนี้ในทางปฏิบัติเมื่อจัดเป็นระบบการศึกษาฝึกอบรมแบบช่วงกว้างแม้จะพัฒนาไปพร้อมด้วยกันทั้ง3ด้านแต่แผนการศึกษาจะวางจุดเด่นจุดเน้นเลื่อนไปตามลาดับคือการฝึกอบรมเริ่มระดมที่ความประพฤต หรือพฤติกรรมการแสดงออกภายนอกทางกายวาจาคือศีลก่อนแล้วพระนิทขึ้นมาสู่การฝึกอบรมจิตใจคือสมาธิจนถึงระดับสุดท้ายคือพัฒนาความรู้ความเข้าใจการเข้าถึงความจริงคือปัญญาให้แจมจ้าจนพ้นจากอวิชชาตันหาอุปาทานมองลำดับขั้นตอนอย่างง่ายๆ ศีลเป็นที่เชื่อมต่อและเป็นที่ตั้งต้นคล้ายกับเป็นนอกชาญคือจะออกจากบ้านไปติดต่อกับคนที่อื่นไปตลาดไปในหมู่บ้านไปในชุมชนไปไหนก็ตั้งต้นที่นอกชาญหรือมาจากไหนจะเข้าไปในบ้านก็ตั้งต้นที่นอกชาญศีลคือความประพฤติดีมีพฤติกรรมดีงามไม่เบียดเบียน อยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยมีความสัมพันธ์ทางกายวาจาที่เป็นมิตรช่วยเหลือเกือ้อกูลกันเมื่อข้างนอกอยู่ดีไม่มีเวรไม่ต้องหวาดระแวงภัยข้างในไม่มีความเดือดร้อนใจชีวิตจิตใจก็เรียบเรื่นชื่นสบายเป็นภาวะที่พร้อมและเกื้อหนุนการพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาต่อไป ลองมองดูในชีวิตประจำวันให้เห็นความสัมพันธ์แบบต่อเนื่องกันของตรายสิกขานี้อย่างง่ายๆพื้นๆเช่นว่าเรื่องของศีลไปสู่สมาธิเมื่อประพฤติดีมีความสัมพันธ์งดงามได้ทําประโยชน์อย่างน้อยดำเนินชีวิตโดยสุจริตมั่นใจในความบริสุทธิ์ของตนไม่ต้องกลัวตะการลงโทษ ไม่ระแวงหวาดสะดุ้งต่อการประทุษร้ายของคู่เวรไม่หวั่นใจเสียวใจต่อเสียงตำหนิหรือความรู้สึกไม่ยอมรับของสังคมและไม่มีความฟุ้งซ่านวุ่นวายใจเพราะความรู้สึกเดือดร้อนรังเกียจในความผิดของตอนเองหรือดียิ่งกว่านั้นเมื่อระลึกถึงการที่ได้ช่วยเหลือเกือ้อกูลผู้อื่นได้ทำประโยชน์นั้นๆไวจิตใจก็เ อ, อิบอิ่มชื่นบานเป็นสุข ปลอดโปรง่งสงบและแน่วแน่มุ่งไปกับสิ่งที่คิดคำที่พูดและการที่ทำได้อย่างดีเรื่องสมาธิไปสู่ปัญญายิ่งจิตใจสดชื่นเบิกบานปลอดโปร่งโล่งเบาไม่ฟุ้งซ่านสงบอยู่ตัวไรสิ่งคุณมัวสดใสมุ่งไปอย่างแน่วแน่แนเท่าใด การรับรู้การคิดพินิษพิจารณามองเห็นและเข้าใจสิ่งต่างๆก็ยิ่งชัดเจนไม่เอียเอียงตรงตามจริงลัน่นคล่องเป็นผลดีในทางปัญญามากขึ้นเท่านั้นอุปมาในเรื่องนี้เหมือนว่าตั้งภาชนะน้ำไว้ด้วยดีในที่เรียบสนิทไม่เบกแกล้งสันหรือขายามันเทียบกับการมีศีล เมื่อน้ำไม่ถูกกวนคนพัดหรือเขยา่าสงบนิ่งองฝุ่นต่างๆก็นอนก้นหายคุณน้ำก็ใสเปรียบได้กับการเป็นสมาธิเมื่อน้ำใสก็มองเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจนเปรียบได้กับการเกิดปัญญาในการปฏิบัติธรรมสูงขึ้นไปที่ถึงขั้นจะให้เกิดญาณ อันรู้แจ้งเห็นจริงจนกำจัดอาสวะกิเลสได้ก็ยิ่งต้องการจิตที่สงบนิ่งผ่องใสมีสมาธิแนวแน่ยิ่งขึ้นไปอีกถึงขนาดระ ง, งับการรับรู้ทางอายตนะต่างๆได้หมดเหลืออารมณ์หรือสิ่งที่กำหนดไว้ใช้งานแต่เพียงอย่างเดียวเพื่อทำการอย่างได้ผลจนสามารถกำจัดกวาดล้างตะกรนที่นอนก้นได้หมดสิน้นไม่ให้มีโอกาสคุณอีกต่อไป นี่คือระบบการศึกษาพัฒนามนุษย์ที่เรียกว่าไตรสิกขาคือการศึกษาสามส่วนซึ่งจัดลําดับเป็นอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาเรียกง่ายๆว่าศีลสมาธิปัญญาเพื่อพัฒนามากที่จัดลําดับเป็นปัญญาศีล ส, สมาธิโดยในย่านี้ การศึกษาที่ถือว่าเป็นการจัดการจัดภายนอกเมื่อมองเข้าไปในตัวคนก็จะเห็นการทำงานขององค์ทมต่างๆของมัคที่พัฒนางอกงามขึ้นไปอย่างประสานกลมกลืนกันกับกระบวนการฝึกศึกษาแห่งตรายสิกขาที่จัดจากภายนอกเมื่อฝึกคนให้ศึกษาหรือคนศึกษาโดยฝึกตนตามหลักตรายสิกขา ก็ทำให้ชีวิตของเขาเจริญงอกงามก้าวไปในทางถูกต้องที่เรียกว่ามัคพูดอย่างภาพพจน์ว่าเอาการศึกษาทั้ง3ของไตรสิกขาใส่เข้าไปในตัวคนหรือเอาคนใส่เข้าไปในกระบวนการของไตรสิกขาผลออกมาคือการเดินหน้าไปในทางหรือวิถีชีวิตปีงามแห่งมัค หรือในการดำเนินชีวิตอันประเสริฐคือพรหมจรรย์ผู้สั้นๆว่าปึกด้วยตรายศิขาชีวิตก็เดินหน้าไปในมัศนี่ก็คือเอาตรายศิขามาพัฒนามัศหรือพัฒนามัศด้วยศิกขานั่นเอง